ในชีวิตประจำวันโดยพาะผู้ที่ต้องมีกิจการงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้คนกิจกรรมต่างๆมากมายเนี่ยมันก็มีโอกาสง่ายที่จะลืมแล้วก็หลงลืมหมายถึงว่าลืมตัวหลงก็หมายถึงว่าไปหลงหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระ แล้วก็ละเลยสิ่งที่เป็นสาระไปในสภาพเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เราเกิดสติแล้วก็ไม่หลงได้ปลุกให้เราตื่นมาเห็นความเป็นจริงได้ชัดเจนนี่ก็คือความตายหรือว่าการระลึกถึงความตายคือมรณะสติ แต่สำหรับคนจำนวนมากเนี่ยจะมาระลึกถึงความตายได้ก็เมื่อเกิดโรคร้ายเช่นเป็นมะเร็งเป็นเอชนี่โรคหัวใจก็ถึงมีสติขึ้นมาแล้วก็หันมาจนหนัก ว่าอะไรคือสาระอะไรไม่ใช่สาระของชีวิตซึ่งเคยช่วยทำให้ปล่อยวางจากสิ่งที่มันไม่ค่อยเป็นสาระของชีวิตได้ง่ายขึ้นได้อ่านหนังสือเรื่อง The Last Lecture ของ l e a n d d p a u h ซึ่งทางอัมรินพิมพ์ก็เป็นหนังสือที่ดีมากอ่านอ่านได้ ได้ได้หลายรสชาติแล้วก็สาระแต่นีพพานชนิดเขเป็นโลกมะเร็งแล้วก็มารู้ตัวว่าจะมีอายุได้แค่จะมีชีวิตได้แค่สามถึงหกเดือนแล้วเขาเล่าประสบการณ์ซึ่งตอนมันก็กลายเป็นเล่าประสบการณ์เขาในการบรรยายครั้งสุดท้ายซึ่งตอนมันก็ทําเป็นหนังสือมีตอนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาไปไปช่วยภรรยาเนี่ยคือทําหน้าที่แทนภรรยาไป ซื้อของในห้างซ u เปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อของได้11เหรียญราคา11เหรียญก็เมื่อไปที่เคาน์เตอร์ก็ก็รูดบัตรเครดิตแต่ว่าเครื่องมันไม่มันไม่รับก็เลยต้องรูดใหม่พอรูดใหม่เนี่ยเครื่องมันก็คิดเป็น22เหรียญเขาก็ถามว่าจะเอา11เหรียญคืมนมาได้อย่างไร ก็ต้องไปคุยกับผู้จัดจา ก, การแล้วเขาก็มานั่งคิดว่าท้อท้อต้องไปคุยกับผู้จัดจา ก, การในต้องรอผู้จัดการในต้องคุยกับผู้จัดจา ก, การต้องชี้แจง เ, เอาหลักฐาน ม, มาดูต้องมาเช็คข้อมูลในเครื่องก็คิดว่าคงจะใช้เวลาเป็น10นาที แล้วเาก็มานั่งคิดว่ า, าก็มายืนคิดว่าเขายอมที่จะเสียเวลา10นาทีหรือ20นาทีเพื่อที่จะได้เงิน11เหรียญคืนมามันคุ้มไหมเขามีเวลาอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่ไม่กี่เดือนซึ่งเป็นเวลาน้อยมากสำหรับลูกสำหรับภรรยาของเขาหรือสำหรับชีวิตของเขาเขารู้สึกแล้วว่ามไม่คุ้มเลยนะ เสียเวลาไปสิบกวนาทีเพื่อได้เงินสิบเหรียญไอ้เงินนี่มันได้เมื่อไหรก่ก็ได้คืนมาเมื่อไหร่ก็ได้ถาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่เวลามันมีทั้งเอากลับคืนไดนะ้เขาคิดไม่นานทันทีเขาก็ปล่อยเลยไอ้เงินเท่านีนะ้ที่จริงเงินมากกว่านี้เขาก็คิดว่าเขาคงจะปล่อยได้เหมือนกันแต่นี้ก็เห็นแล้วว่าไอ้เงินที่คนเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญเนี่ย แต่จริงแล้วมันมีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเวลาเวลานี้เท่นี้ไม่ ไ, มได้หมายถึงเวลาธรรมดาแมายเวลาที่จะได้ใช้ช่วยให้มีสาระให้มีประโยชน์จัดวางความสัมพันธ์กับผู้คนให้ให้เป็นไปในทางที่ดีอันนี้ก็ช่วยทําให้เกิดการปล่อยวางได้มากขึ้นภรรยาขเขาก็เช่นเดียวกันภรรย า, ยาเขาเนี่ยก็เคยลาคาญที่เขาชอบทิ้ง วางเสื้อผ้ากางเกงไม่เป็นที่ไม่เป็นทางคือกลับบ้านเสร็จก็วางไม่เป็นที่เป็นทางภรรยาขอยจาจีจำใช้ให้สามีคอยเก็บสามีก็มักจะผัดผ่อนเพราะมีเรื่องอื่นที่สําคัญกว่าต้องทําในความรู้สึกของเขาแล้วก็ภรรยาก็เป็นทุกข์กับเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อภรรยารู้ว่าสามีจะมีเวลาอยู่ไม่นานเขารู้สึกว่ด จะมามัวเสียเวลาเสียอารมณ์กับการจำจีจำใช้หรือพวกนี้มันไม่คุ้มค่ากันเลยนะก็ปล่อยวางได้เนะพรารู้ว่ามีอะไรที่สําคัญกว่านั้นอันนี้ก็ก็เรียกว่าทั้งสองฝ่ายทั้งสา ม, มีภรรยาก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเนะพราะอะไรก็เพราะว่ารู้ว่าจะมีฝ่ายฝ่ายผู้ชายก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนได้ไม่นาน ความตายมาเตือนให้ปล่อยวางในสิ่งที่ไม่เป็นสาระหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะที่จริงความตายสามารถจะปล่อยวางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นได้ด้วยนะเช่นนะคนที่เรารักนะเพราะว่าถึงที่สุดแล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เป็นไม่สามารถจะเป็นของเราได้เราก็ต้องจากโลกนี้ไป โดยเล้วามาคนเดียวก็ไปคนเดียวแต่ประเด็นก็คือว่าการที่เรามีความตายมาอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยมันช่วยทำให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตแล้วก็ตระหนักว่าเวลาแต่ละนาทีมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางได้มากขึ้น อาจจะเริ่มจากการปล่อยวางสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อมีปัญญามากขึ้นก็จะปล่อยวางในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรายึดว่าเป็นเราเป็นของเราแม้ว่าจะมีคุณค่าเพียงใดก็ตามฉนั้นประโยชน์ของมรณสติเนี่ยก็คือมันช่วยทำให้เราปล่อยวางในสิ่งที่เราชอบยึดติดแล้วก็ขณะเดียวกันก็ช่วยทำให้เราควนคว้าในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อน อนะย่างไรดิพาชิพเขาล้วงเขาจะมีเวลาอยู่ในอยู่ในโลกที่ไม่นานเขาก็รีดจัดการนะทำสิ่งต่างๆเรื่องงานการเรื่องอาชีพการงานการหาเงินเขาก็วางทันมาให้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวจัดการความสัมพันธ์เคลียร์ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็นึกว่านึกถึงสิ่งสำคัญคือว่าเขาจะมอบอะไรให้เป็นมรดกแก่ลูกที่มีคุณค่าที่สุดซึ่งเขาก็เลือกที่จะมอบ บทเรียนประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ถ่ายทอดมาในบรรยายเขาสุดท้ายแล้วก็นังสือของเขานะซึ่งเขาถึงที่สุดแล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะพูดให้ใครฟังนอกจากลูกของเขา2องคนนะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าประมวลมาตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กนะจนถึงการจนถึงเมื่อได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะเป็นนัก นักคอมพิวเตอร์นักวิชาการในด้านคอมพิวเตอร์ในด้านวิชวลกราฟิกคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอันนี้ก็ถือว่าความตายด้กระตุ้นทนี่เขาท้งมาขวนขวายในสิ่งที่อาจจะผัดผ่อนอาจจะชอบผัดผ่อนแต่เมื่อเวลานี้ไม่นานก็ต้องเร่งทำในที่จริงแล้วนะความตายหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย ที่มันกระตุ้นให้เราตระหนักถึงความตายเนี่ยมันก็ยังช่วยทําให้เราได้เห็นแล้วก็รู้จักชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันด้วยให้สิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามพราะไปให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรายังไม่มีอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาของของมนุษย์หรือของกิเลสมนุษย์ก็คือว่ามีเท่าไหร่ ก็ไม่เคยมีความสุขเพราะว่าไปใส่ใจจดจ่อกับสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งที่วางขายในร้านสิ่งที่วางขายในตลาดในห้างหรือว่าสิ่งที่คนอื่นเขามีแต่เรายังไม่มีไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมแต่เมื่อใดก็ตามที่รู้ว่าเวลามันมีจำกัดในโลกนี้เนี่ยแล้วก็ตระหนักว่าไอ้สิ่งทั้งหมดทั้งหมดที่มีเนี่ยก็จะสูญหายไปในไม่ใช้ไม่นาน เราก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้หรือให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากขึ้นอากาศที่เราหายใจเนี่ยเรามันมีค่าเพียงแตก็ตามเราก็ไม่ตระหนักว่ามันมีค่าจนกว่าถึงวันที่อากาศที่ดีๆหายไปหรือว่าถึงวันที่จะไม่มีอากาศหายใจถึงตอนนั้นเราถึงค่อยมาทราบซึ้งแบนตานาฬิกาที่เราใช้อยู่ทุกวินทุกวัน เราก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเท่าไหร่เพราะว่าชินเสร็จแล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่มันหายไปวันนั้นแหละเราถึงจะเห็นคุณค่าคนที่อยู่กับเราพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือว่าแม้แต่คู่รักบางทีอยู่กันไปนานๆก็เหินทางหมางเมินไม่ค่อยรักษาน้าใจกัน ไม่รู้ไม่รู้จักไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความซาบซึ้งคาว่าขอโทษขออภัยไม่เคยหลุดปากขณะที่สามารถที่จะทำพูดสองคำนี้กับคนอื่นได้ง่ายเขาเอาแก้วนะ้ำเข้าน้ามาให้ก็ขอบคุณเท่านั้นแต่ว่าเขาให้อาหารปรุงอาหารให้เราดูแลเราสารพัดเราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อใดก็ตามหรือวันใดก็ตามที่เขาจากไปถึงตอนนั้นค่อยมาเห็นคุณค่าของเขาแล้วก็มานึกเสียดายเสียใจว่านึกเสียดายที่เราให้เวลาอย่างนั้นไม่มีแล้วเวลาที่เขาอยู่กับเราไม่มีแล้วแล้วก็เสียใจที่เราปล่อยให้เวลาอย่างนั้นที่ควรจะทํำดีเขาผ่านเลยไปแต่พอรู้ว่าจะต้องตายเนี่ยในเร็ววันเนี่ย รวยต้องสูญเสียคนเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นคราวนี้แหละที่จะเริ่มหันมาเห็นคุณค่าหันมาชื่นชมแต่เราเราจะรอใ ห, เอให้เราจะรอให้เหตุการณ์เหล่านี้นะมาเราจะรอให้ความตายมามาเข้าประตูบ้านถึงค่อยมามีสติตื่นตัว หายจากความหลงมันจะจะเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่จะรอให้ความตายเข้ามาประชิดตัวแล้วถึงค่อยมาตะหนักถึงความจริงข้อนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความหลงอย่างหนึ่งเหมือนกันเราไม่จาเป็นต้องรอให้ป่วยหนักถึงค่อยมาตอนหนักถึงค่อยมาค้นคว้าในสิ่งที่ชอบผัดถึงค่อยมาปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติดหรือ ถึงค่อยมาหาัมาชื่นชมในสิ่งที่เรามีไม่ต้องรอให้โครคภัยไข้เจ็บมาเกิดกับตัวเซะก่อนถึงจะตระหนักตรงนี้ได้เพราะอย่างไรถึงแม้โครคภัยไข้เจ็บจะยังไม่เกิดกับเราเราก็รู้แน่แก่ใจกันดีทุกคนว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายไม่ใช่ว่าพอไปโลกคร้ายแล้วถึงค่อยมาตระหนักถึงไม่เป็นเราก็ต้องตายอยู่ดี แล้วเราจะตระหนักตรงนี้ได้ไงก็ต้องจเจริญบ่อนัตสติอยู่เป็นประจำคือการระลึกตระหนักว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่แท้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เ, เมื่อเราเมื่อเราเราู้ถึงความตายว่าจะเกิดขึ้นกับเราให้ความรู้สึกว่าเวลาในโลกนี้มันเหลือน้อย เวลาที่เราจะมีอยู่ในโลกนี้อาจจะนับเป็นหลักอาจจะนับแค่ได้หลักพันหรืออหลักร้อยหรือม้แต่จะเป็นหลักสิบก็ได้ทีนี้แหละที่เราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเวลาแต่ละวันแต่ละวันมีค่าจะไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปโดยได้ประโยชน์แลขณะเดียวกันก็คงจะรู้สึกได้ว่าทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเรายังมีลมหายใจอยู่ เราจะรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าวันวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะไม่รู้ว่าจะมีวันอื่นอีกหรือเปล่าวันนั้นก็คือวันนี้วันนี้ที่เรายังมีลมหายใจที่ยังมีสติสั ป, ปัญญะดีอยู่เป็นวันที่สำคัญที่สุดและเรายอม ง, ง่ายที่จะใช้วันนี้ให้ดีที่สุด หรือถ้าเราพิจารณาไปถึงว่ามันไม่ใช่แค่วันนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไปตลอดวันหรือเปล่าชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเราเมื่อตระหนักเช่นนี้เราก็จะใช้ชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดหรือสำหรับผู้ที่ไม่ปรมา ก, ก็จะตระหนักว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ไปจนครบชั่วโมงหรือเปล่าอาจจะอยู่ได้แค่นาทีนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะทํานาทีนี้ให้ดีที่สุด อันนี้ก็ตรงกับที่ผู้เจ้าได้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าได้ได้ได้ตรัสสอนภาษาวกว่าผู้ที่เราลึกว่าจะมีชีวิอยู่เพียงแค่แค่เคี้ยวคำข้าวสองสามคำข้าวเท่านั้นก็จะก็อาจจะตายได้หรือแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ตาย อันนี้ถึงจะเรียกเป็นผู้ที่จเจริญร้นักสติหรือไม่ประมาทอย่างแท้จริงแม้แต่ผู้ที่ระลึกว่าหรือคิดว่าวันนี้มีชีวิตไปจนถึงค่านี้แล้วตายอันนี้ก็ยังประมาทอยู่หรือว่าคิดว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีชีวิตอยู่จนถึงตอนเที่ยงหรือกินข้าวเสร็ค่อยตายก็ยังประมาทอยู่แต่ระลึกได้แต่ผู้ที่ระลึกว่า เพียงแค่ชั่วหายใจเพียงแค่หายใจได้ได้ครั้งสองครั้งก็อาจจะต้องตายอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตระหนักตรงนี้เนี่ยการที่เราจะให้ความสำคัญแก่เวลาแต่ละวันวันนี้ชั่วโมงนี้หรือนาทีนี้ให้มีคุณค่า มันก็จะเป็นไปได้ง่ายและถ้าเราทำวันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้ให้ดีเนี่ยเราก็จะพบว่าชีวิตมันก็จะเบาเพราะว่าที่เราทุกข์กันมากก็เพราะาเราไปมองข้ามไปไกลแล้วก็ไปแบะเอาความวิตกกังวลของวันพรุ่งนี้ของอาทิตย์หน้าของเดือนหน้าของปีหน้าจงกทั่งหาความสุขหาความเบาสบายไม่ได้และในบางครั้งก็ทาให้ประมาท แต่ถ้าเราทำวันนี้ชั่วโมงนี้วันนี้ใหด้ดีนาทีนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยก็ไม่เพียงทำให้เรามีความสุขโปร่งเบาแต่ยังจะทำให้เราได้ได้ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับโลกและกับผู้คนเช่นถ้าเราได้พูดคุยกับใครได้สนทนากับใครและเราตระหนักว่าจะต้องทำนาทีนี้ให้ดีที่สุด เราก็จะคุยกับเขาด้วยความเมตตากรุณาด้วยความใส่ใจรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาไม่เหมือนเฉยนะหรือว่าทำร้ายความรู้สึกของเขาแต่ละนาทีจะเป็นนาทีที่มีค่าทั้งสำหรับเราและของผู้อื่นได้ได้อ่านเรื่องราวของคนหนึ่งชื่อก็เป็นนักไต่ลวด แล้วก็เรื่องราวองเขาก็มีคนทำเป็นหนังสา ร, รคดีชื่อ Man on the Wire แล้วก็เพิ่งได้ทราบว่าได้รางวัลสา ร, รคดียอดเยี่ยมได้ตุ๊กตาทองมาเมื่อไม่กี่วันวันนี้เขาเป็นคนแปลกเขาเป็นนักไต่รวดแล้วก็มีร ก, กรรหนึงที่เขาทำแล้วก็ทำให้เขาเป็นตัวเอกในหนังเรื่องนี้คือว่าเขาเนี่ยไต่รวดข้ามยอดตึก World Trade Center ตอนที่เริ่มสร้างใหม่ๆเริ่มกำลังสร้างจะเสร็จตอนที่ตอนที่เขาลูกข้าวว่ามีการสร้างตึกบรอดเซ็นเตอร์ขึ้นมาความฝันของเาคือว่าเขาอยากจะไ ต, เต่เดินไต่เดินไต่ลวดข้ามยอดตึก2ตึกหรือตึกแฝดเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยไปเดินไต่ลวดข้ามสะพานในออสเตรเลียหรือว่าข้าม สายลวดระหว่างรู้สึกน็อตตัวดำหอคอยน็อตตัวดำสองหอนะซึ่งก็เป็นเรื่องยากแต่เขาสื่อว่า World Trade Center มันท้าทายกว่าแล้ววันนึงเขากับพวกก็ลอดแอบขึ้นไปที่ตึก World Trade Center ซึ่งกำลังยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็จัด ก, การขึงเชือกโดยใช้ธนูเนี่ยยิงไปที่อีกฝาอีกยอดหนึ่งของตึกแล้วก็ขึงเชือกตึง เขาไปตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเริ่มสว่าง <S <S เขาก็เริ่มทำวีรกรรมก็คือเดินบนเดินไต่ลวดระหว่างยอดตึกสองตึกนี้ตอนที่เขาไต่ลวดได้คือตึกมันสูงมากนะประมาณ 400-400 สเ400มตรเกือบครึ่งกิโลเขาตกมาเขาตายแน่และตอนที่เขาเดิน ไปได้ครึ่งทางเนี่ยคนข้างล่างก็เห็นเขาก็เลยเรียกตำรวจตำรวจก็ออกมารอจับเขาที่ที่ยอดตึกแต่เขาก็ยังเดินอย่างไม่สะทกสะท้านไม่ใช่เดินแค่เที่ยวเดียวเขาเดินประมาณเจเที่ยวไปกลับไปกลับ45นาทีสุดท้ายเขาเบือ่อแล้วก็เลยลงมาให้ตำรวจจับแล้วก็ถูกส่งออกแล้วก็ติดคุ ก, กถูกปรับ ไม่ได้ติดคุกก็มีคนถามเขาว่าตอนที่เขาเดินนี่เขารู้สึกอย่างไรเขาบอกเขาไม่ได้นึกอะไรเลยเขาไม่ได้นึกแม้กระทั่งไอ้ยอดตึกข้างหน้าเด้วยตอนที่เดินอยู่บนบนล้วนเนี่ยสิ่งที่เขาสนสิ่งที่เขาตันหาก็คือว่าสนใจว่าจะเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวอย่างไรเขาสนใจแค่นี้เขาไม่รับรู้ด้วยว่า ไม่สนไม่รับรู้เลยว่าตกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในมนษุษยสำนึกเขาเนี่ยมันมีแต่เรื่องเดินก้าวถัดไปเท่านั้นเองแล้วเขาก็ทำได้อย่างจนสำเร็จนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะว่าไปแล้วก็ก็เป็นเรื่ององการมีสติอยู่กับปัจจุบัน ชนิดที่ละไว่าอย่างเต็มที่เลยคืออยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวเท่านั้นซึ่งก็เป็นหลักของการปฏิบัติ เ, เขาไม่รู้เรื่องการเจริญสติแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันเป็นการเจริญสติจริงๆไม่สนใจเป้าหมายเลยคือตึกคือยอดตึกนะอยู่กับแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคนทำำําสารคดีก็ไปสัมภาษณ์เขาว่านะเขาได้ทําความสำเร็จมาเยอะในฐานะนักไต่ลวด ก็รู้สึกนึกหวนหาอะไรถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นมหมคือครั้งที่เดินข้ามตึก World Trade เพราะว่านั่นเป็นทำไม่ค่อยมีชื่อเสียงแล้วก็เดี๋ยวนี้ตึกเวอร์เทรดก็ไม่มีแล้วเขาบอกไม่ไมเลยเมื่อได้คิดว่าวันนั้นคือวันที่สําคัญ ม, มีความหมายที่สุดในชีวิตผมรู้สึกว่าวันที่สําคัญคือวันนี้วันนี้คือวั น, ว, นวันที่สําคัญที่สุด เด็เล่าว่าเขาอยู่กับปัจจุบันมากนะตอ น, นที่เขาจะเป็นคนประหลาดประหลาดแต่เขาบอกเขาไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงนะมันเป็นแค่ความอยากจะทำแค่นั้นเองแล้วทำแนละ้วพอทำสำเร็จก็ผ่านเลยไปไม่ได้อะไรในชื่อเสียงกิตติศัพท์ที่ที่เกิดออกับเขาแล้วถ้ามาคิดดูอีกทีนะคนเราเนี่ยชีวิตของเข า, เาแต่ละคนก็ไม่ต่างจากการเดินบนเส้นลวดนะคือเราพร้อมจะตายได้ตลอดเวลา ถ้าเราพลาดเราก็ตายขับรถถ้าเราไม่ไปถ้าเราไม่ชนเขาก็อจะมีคนมาชนเราเปิดสวิตช็อตตายหรือว่าหยูดีก็หัวใจวายตายนนคนเรานี่ไม่ต่างจากการเดินบนเส้นลวดการและศิลปะในการเดินเส้นลวดก็คงมาใช้กับชีวิตของเราได้คือการ ให้ความสำคัญกับการอยู่กับปัจจุบันทําแต่ละก้าวแต่ละก้าวหรือทาแต่ละนาทีแต่ละนาทีให้ดีที่สุดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องถ้าทานี้ให้ดีเนี่ยความตายก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าได้ทําสิ่งที่ควรจะทํา แต่ว่าคนเราจะทําอย่างนี้ได้โดยที่ไม่ระลึกถึงความตายมันก็ยากนะเพราะว่ามักจะทำมักจะเผลอมักจะหลงลืมสตินั้นก็ต้องอาศัยความตายหรือมรณะ ส, สติเนี่ยมาเป็นเครื่องกระตุ้นให้ตื่นจากความหลงและให้ความสําคัญากับการมีสติไม่ลืมตัวเลาคําว่าไม่ลืมตัวเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่าง ไม่ลืมว่าเราเป็นใครเรามีกรรพืชอย่างไรเรามีสถานะอย่างไรหรือว่าเราเคยได้รับบุญคุณจากใครอันนี้ก็เป็นความหมายทั่วๆไปแต่ลืมตัวที่มันลึกกว่านะั้นคือการไม่ลืมการไม่ลืมใจคือเราลึกรู้ในกายและใจเราลึกรู้จําได้ส่วนใหญ่พวกเราคนทั่วไปเนี่ย จำเก่งในเรื่องนอกตัวจำได้ว่าวางรองเท้าไว้ที่ไหนจำได้ว่าขับรถแล้ววางกุญแจไว้ที่ไหนจำได้ว่ามีนัดกับใครจำได้ว่าใครเขาทาอะไรเจ็บแสบกับเราไว้หรือใครที่เขามีบุญคุณกับเราจําเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้ทั้งหมดนี่มันนอกตัวทั้งนั้นแต่ที่ทํากันไม่ค่อยได้คือว่าการ ไม่ลืมกายไม่ลืมใจหรือระ ล, ลึกรู่ในกายและใจคนที่จำตัวเลขเก่งจำสูตรคณิตศาสตร์ได้เป็นยาวเยยนเนี่ยลืมตัวลืมใจได้ง่ายเหลือเกินมีนักวสชาคนหนึ่งแกก็นั่งคิดสูตรไปเรื่อยๆนะที่ในตำห น, น่ง ท, ที่เยอรมันที่เบอร์ลินเนี่ยแกก็นั่งแกก็ยืนเดินไปก็นั่งยืนไปเดินไปก็คิดถึงสูตรทางฟิสิกส์ของแกไป แต่อยู่ดีๆก็หกสะดุดหกล้มคนก็เข้าไปช่วยแกปัดเลยนะโมโหบอกว่าอย่ามายุ่งไม่รู้ว่าฉันกำลังยุ่งอยู่ตอนนั้นแกยังยังนอนพังภาพอยู่เลยยัไม่รู้ตัวเองว่าว่าล้มเลยนะคนมาช่วยบอกอย่ามาอย่ามาอย่ามายุ่งกับฉันไม่รู้หรือว่าฉันกําลังยุ่งอยู่ยุ่งกับการคิดแล้วไม่ไม่พยายามที่จะลุกขึ้นมาด้วยอันนี้เราลืองตัวเลยนะ หรือมากเกิดอะไรขึ้นกับตัวแต่ว่าการการระลึกรู้ในการระจรันมันมีความหมายมากกว่า น, น, น, นั้นก็คือการที่รู้ว่ารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกอันนี้ที่เรียกว่าสัมมาสติสติมันมีความหมายหลายอย่างแต่ถ้าเป็นสัมมาสติคือการระลึกได้ในในกายและใจระลึกระลึกโดยเฉพาะในเรื่องใจเนี่ย เมื่อเกิดอารมณ์ความรู้สึกคิดขึ้นมาก็ <t Une> ตามตามดูรู้ทันได้ไม่หลงจมไปกับความรู้สึกไม่หลงจมไปกับาอารมณ์เหล่านั้นและลืมตัวนี่สําคัญนะการการไม่ลืมตัวนี่สําคัญถ้าเราไม่มีสัมมาสติหรือเราลืมตัวเมื่อไหร่นในความหมายที่ว่ามาเนี่ยให้ความความ การปรุงแต่งว่ามีตัวตนก็เกิดขึ้นเพราะลืมตัวจึงมีตนเพราะลืมตัวในความหมายที่ว่าเพราะไม่ระลึกรู้ในกายและใจเนี่ยมีภาษามากระทบแล้วก็ไม่มีสติกํากับมันก็ปรุงแต่งตัวตนขึ้นมาเพราะลืมตัวก็เลยมีตนแล้วพอมีตนแล้วพอไปยึดในตัวตนนั้นมันก็ยิ่งลืมตัวเข้าไปใหญ่นะมันเป็นปัจจักกัน เรืองตัวก็เลยมีตนมีตนแล้วไปยึตติดในตัวตนเช่นมียึดติดในตัวตนเช่นไปยึดเอาเอาลดเอาทรัพสมบัติเอาชื่อเสียงของสถาบันมาเป็นตัวเป็นตนอย่างเช่นนักศึกษาอาชีวะเขาถือตัวถือ ต, ตนมาแต่เป็นตัวตนแบบรวมหมู่ใครมาเขียนชื่อเขียนข้อความติด้าผ น, นังดา่าสถาบันของตัวเก็โกรธ เห็นแม้กระทั่งนักเรียนสถาบันที่เป็นป ร, ป, รปักษ์ไม่รู้จักและไม่เคยเจ็บแค้นน้ำใจกันเห็นก็โกรธโมโหจะเข้าไปทำร้ายลืมตัวยิงไปยิงเ้าตายด้วยความลักสถาบันหรือว่าหลงสถาบันมากอันนี้ก็เรียกว่ามันยึดติดในตัวตวนอีกแบบนึ่งที่ทำให้ลืมลืมตัวได้ไปฆ่าเขาถึงมานึกเสียใจ หรืคนหลายคนเนี่ยเวลาขับรถแล้วก็มีถูกรถคันอื่นปาดหน้าก็รู้สึกว่าถูกยามถูกเสียศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีมันอยู่ที่อยู่ที่รถอยู่ที่อาการแบบนี้ก็วิ่งไล่ล่าอยากจะท่างที่บางทีตั้งใจจะรีบกลับบ้านมีธุระนัดคนเอาไว้แต่คราวนี้ลืมไปซนะแล้วนี่ก็ ล, ลืมตัวนะเพราะว่ามันหลงติดใน ในหน้าตามากหรือบางคนลักรถมากเห็นลูกนี่ขีดเขียนอะไรข้างรถก็โกรธตีลูกตีลูกเพราะว่าลักรถลืมตัวตีลูกจนข้างลูกร้องว่ากลัวเพราะกลัวแล้วพ่อพกลัวแล้วพ่อพอกลับมาดูข้างรถเห็นลูกเขียนว่าหนูลักพ่อนีอ่แกก็อึ่งไปเลยเพราะว่า หนูรักพ่อแต่พ่อลักรถมากกว่าหนูอันนี้ก็ลืมตัวอีกแบบหนึ่งพ่อมาไปยุึดติดว่ารถเนี่ยเป็นตัวกูของกูนี่มันมันก็มันเป็นวัฏจักรเนี่ยพราะลืมตัวก็เลยมีตนเพระมีตนแล้วก็ไปยึดในตัวตนก็ยิ่งลืมตัวเข้าไปใหญ่แล้วเราก็หลงจมอยู่ในวัฏจักรนี้แหละลืมตัวปรุงแต่งมีตัวตนยึดติดในตัวตนแล้วก็ยิ่งลืมตัวเข้าไปใหญ่ก่อนจะเลือกฉี่ก็ ก็ใกล้ความตายเข้ามาแล้วแล้วก็มานึกได้ว่าโอ้มีหลายอย่างที่ไม่ได้ทําทั้งหมดนี้ก็พเพราะลืมตัวแล้วคนเราพลืมตัวแล้วเนี่ยมันลืมหลายอย่างมากมายนะเมื่อสักปีที่แล้วมันมีข่าวเรื่องของเรื่องคือว่านายกเทศมนตรีเนี่ยคนนึงเนี่ยทุกเช้าวเวลาไปทํางานเนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็จะฝาก เขาก็จะไปด้วยขึ้นรถไปด้วยแล้วพร้อมกับลูกเพราะเขาต้องการไปส่งลูกอายุ3ขวบไปส่งที่เนอร์เซอรี่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลแล้วก็ติดรถนิ้วเทศมนตรีไปวันหนึ่งเนี่ยแม่ไม่ว่างก็เลยก็เลยฝากลูกให้เนเทศมนตรีเนี่ยขับเพื่อไปส่งที่เนอร์เซอรี่วันนั้นพ e ะอกก็มีประชุมของเทศบาล แล้วแกก็คงจะรีบก็คงจะออกรถสายด้วยรถก็คงจะติดตอนที่ขับรถแกคงจะนึกถึงการประชุมนั่นแหละเพราะว่าประชุมมันเริ่มไปแล้วแต่แกยังไม่ถึงเลยหรือว่าเขากลังรอคอยแกอยู่ก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นพอแกไปถึงเทศบาลเนี่ยแกก็รีบออกจากรถแล้วก็ตรงไปห้องประชุมทันที แกลืมเด็กเอาไว้แล้วประชุมเสร็จก็ทํางานต่อกว่าจะเสร็จก็สี่โมงเย็นก็ขึ้นรถไม่รู้สึกอะไรเลยนะยังลืมไปเลยนะว่ามีเด็กอยู่หลังอยู่เบาะหลังขับรถไปถึงกลางทางมองที่กระจกหลังก็เห็นเด็กตกใจเด็กแน่นิ่งไปแล้วถอดเสื้อถอดผ่อนลงหมดเลยเพราะมันร้อนมาก เด็กตายนะดีไฮเดรตตายเด็กสามขวบไม่รู้วิธีเปิดประตูรถก็ลืมเด็กไปเลยนะลืมพ่อแหละพ่อลืมตัวลืมตัวเขาจมอยู่ยกับการขับรถขณะที่ขับรถก็ลืมตัวหมกมุ่นคิดแต่เรื่องการไปรชุมว่ายต้องรีบไปให้ถึงอยู่กับความวิตกกังวลที่ไปสาย ให้ลืมตัวนี่มันมันทำให้ทหํา ใ, ให้ทำให้ลืมอะไรหลายหลอย่างทั้งที่สำคัญเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ที่สำคัญที่เกี่ยวกับผู้อื่นด้วยการจิระเสตินี่เรื่องสำคัญมากให้มีสติระลึกได้ในในแต่ละวันแต่ละวันหรือเรีย บ, บทธรรมดาธรรมดาก็อย่ามองข้ามใช้ แต่และอิเรเบทให้เป็นประโยชน์ในการปลูกสติให้มีขึ้นให้มีความระ ล, ลึกลู่ในการและใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขณะเดียวกันก็อาศัยสตินั่นแหละเตือนใจให้ขนขวายทําสิ่งที่ควรทำนะไม่ให้ข้างค้างโดยเพราะการปฏิบัติธรรมโดยเพราะการฝึกจิตฝึกใจให้เข้าถึงเอ่อให้เข้าถึง สัจธรรมความจริงที่แท้คือได้เห็นได้เข้าใจตัวอย่างแท้จริงและความเข้าใจตัวอย่างแท้จริงนี่แหละที่ทาให้เราเนี่ยนะเป็นอิสระโปร่งเบาจากทุกข์ได้เพราะอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราเราไปยึดเอาความทุกข์ของรูปและนามมาเป็นของเราเราไม่รู้จักคืนให้เขาไป คืนให้ทุกข์กลับไปเป็นของรูปและนามหรือว่าคืนความทุกข์ให้กับธรรมชาตินะธรรมชาติในที่นี้ก็รวมทั้งที่เป็นกุศลและกุศลนะถ้าเราไม่ยึดเอาความทุกข์ของสิ่งทั้งปวงมาเป็นของเรานะคืนให้กับธรรมชาติไปเนี่ย ที่เราก็จะปร่งเบาแต่เราจะเห็นจะทําเช่นนั้นได้ก็เพราะเรามีสติเรามีปัญญานะอย่างที่ว่ามาสามารถที่จะแยกจนเห็นได้ว่าสิ่งที่ทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นมเป็นของรูปที่เกิด ข, ขึ้นนั้นเป็นของนามมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกข์ของเราเพราะตัวเราไม่มีตั้งแต่ต้นอยู่แล้ววันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องการคืนเขาด้วยธรรมชาติก็ก็อย่าลืมนะต้อง เวลามีความสุขก็ต้องคืนในธรรมชาติด้วยไม่ใช่ความสุขฉันเอาแต่ความทุกข์ชันไม่เอาฉันคืนในธรรมชาติไม่ใชนะ่เมื่อมีความสุขก็ต้องคืนในธรรมชาติไปรวมทั้งของรักของห่วงนะก็จะไปยึดเอาว่าเป็นของเรานะต้องคืนในธรรมชาติไปเหมือนกันรูปคนรักหรือว่าทรัพย์สมบัติต่อจนร่างกายซึ่งเรารักเราห่วงเราแหน อัน น, นม่ใช่ของเราเลยเป็นของธรรมชาติต้องคืนให้เาไปแต่ระหวังที่ยังอยู่กับเราเราก็ดูแลนะร่างกายนี้เราก็ดูแลลูกเมียส า, ามีภรรยาเราก็ดูแลใจใสงานการเราก็ดูแลใจใสเหมือนกันเราไปยืมโทรศัพท์ใครมาเราไปยืมรถใครมาถึงแม้ไม่ใช่ของเราเราก็ดูแลรับผิดชอบไม่ใช่ว่าไม่ใช่รถของเราจะจะขับไปชนที่ไหนอะไรก็ได้ไม่ใช่โทรศัพท์ของเราเราจะ ใช้แบบทิ้งทงว่ ง, งว่าก็ได้ไม่ใช่ความรับผิดชอบต้องมีอย่างนั้นก็นึกถึงใจของเขาอันนี้ก็ทำได้เมตตา ก, กรุณาเมื่อเมื่อเราเมื่อเราวางท่าทีแบบนี้นะเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปร่งเบาแต่รับผิดชอบรับผิดชอบโดยไ ม, ไม่มีความยึดติดแต่สำหรับคนที่ยังทำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยคือยังไม่สามารถที่จะคืนสิ่ง คืนให้ธรรมชาติไม่ได้คืนความทุกข์ให้ธรรมชาติไม่ได้นี่ยังทําไม่ถนัดก็ยังน้อยคืนให้กิเลสไปก็ได้เวลาอยากจะได้อะไรสักอย่างแล้วไม่ได้เนี่ยมันจะมีความเสียใจหรือเวลามีมีของบางอย่างเราสูญเสียไปมันก็จะเสียใจเวลามีคนมาตําหนิ ก, ก็จะโกรธเวลาใครมีเวลาทำอะไรเสียหน้าก็อับอายทั้งหมดนี้เนี่ยนะ อย่าไปเอามาเป็นของเราคืนให้ให้กิเลสไปกิเลสมันทุกข์ที่ถูกตำหนิกิเลสมันโมโหที่ถูกด่าว่ามันไม่ใช่เราทุกข์นะมันเป็นกิเลสทุกข์คืนให้ไปซะคืนให้กิเลสไปซะเวลาทําอะไรที่เสียหน้ารู้สึกเสียหน้าอับอายไม่ใช่เราอับอายนะไอ้กิเลสมันอับอายต่างหากคืนมันไปซะนะ อันนี้ถ้าเกิดว่ายัางคือธรรมชาติไม่ได้ก็คือให้กิเลสไปลองพิจารณาดูเวลาเราเวลาเราโกรธใครสักคนที่เขาเขาว่าเราไอตัวที่ถูกว่าเนี่ยมันคืออัตตาคือกิเลสที่มันโมโหมันอยากเด่นอยากดังแมนะ้แต่เวลาเขาไม่ชมเราก็โมโหไอโมโหที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของกิเลสของอัตตาของมันน ะ, ะกิเลสมันมีหลายชื่อ คืนให้ไปซะแต่ถ้าไม่มีสตินะมันก็ไปยึดเอาว่าเป็นเป็นของเราแล้วเราก็ทุกข์เองนะแต่ถ้าคืนให้มันเป็นให้เป็นของกิเลสไปเออเราก็เห็นกิเลสมันถูกทรมานมันดิ้นลนพลัดพัดพราดเพรา ะ, ะว่าถูกคนตาหนิหรือว่าถูกต่อว่าถูกวิจารมันก็จะดิ้นนะเราก็เห็นมันดิ้นไปแต่เราไม่ไปดิ้นตามมัน ใจเราก็ผ่องแพร่เบาอที่เราทุกๆวันนี่ก็เพราะเราไปหลงยึดเอาความทุกข์ของกิเลสมันเป็นของเราไม่ใช่แค่ยึดเอาความไม่ใช่ยึดเอาความทุกข์ของธรรมชาติมาเป็นของเราเท่านั้นที่จริงกิเลสก็เป็นธรรมชาติตัวหนึ่งแต่ว่าถ้ายังยังยังยังยังคือในธรรมชาติไม่ได้ก็คือในกิเลสไปกันแล้วกันอื ถ้าเราถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยใจเราก็จะสบา ย, ยก็จะโปร่งเบาสติที่มันมีอ น, นิสงส์มากเนี่ยมันช่วยทำให้เรามันช่วยทำให้เราอยู่กับโลกนี้ได้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจก็ยังอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขมีความโกรธนะก็เห็นมัน แต่ว่าความโกรธทำอะไรไม่ได้มีคนถามหลวงหปู่ ด, ดุลว่าหลวงพ่อเขาเรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์หลวงพ่อโกรธไหมท่านมีโกรธไหมท่านบอกว่ามีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาอันนี้น่าสนใจเมื่อคืนนี้ได้มาฟังที่คุณยิงจันมงสีเล่าประสบการณ์ว่าเวลามั น, เ ว, มนเวลามีความโกรธที่ถูกด่าว่า แล้วเห็นมันวืบเห็นความกลัวมันวืบเห็นความกลัมันวืบเนี่ยมันก็ก็เรียกว่าสอนรับกับที่หลวงพ่อหลวงปู่ดุลพูดมีแต่ไม่เอาทำไมถึงไม่เอาก็เพราะมันมีตัวตนที่จะเอาตั้งแต่แรกนะถ้ามีตัวตนเมื่อไหร่ตัวตนนั้นมันก็ไปเอาความกลัวมันนั้นแต่เมื่อตัวตนไม่ถูกปรุงแต่งเกิดขึ้นมันก็ไม่เอาเพราะตัวที่จะเอาได้ก็มีตัวเดียวคือคือตัวกูพอตัวกูไม่มี ก็ไม่มีอะไรจะไปเอาความโกรธไม่มีอะไรที่จะไปยึดความโกรธอาการที่มันวูบวูไปนี่คงจะเป็นลักษณะนี้แหละคือว่ามันไม่มีตัวตนจะเป็นเจ้ามันไม่มีตัวตนที่ถูกพุงขึ้นมาเพิ่มมาเป็นเจ้าของหรือมารับแรงกระทบของความโกรธนั้นะี้ก็เลยไม่เอานะมีแต่ไม่เอาพวกเราอาจจะทําได้อาจจะยังทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นที่เรียกว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามนะมันเกิดขึ้นแต่ไม่มีตัวตนไปรับไปเอาสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนั้นแต่ว่าถ้าเราสามารถจะทำสามารถจะเจริญสติถึงคัาว่าเออมีแต่เห็นมันเห็นมันแต่ไม่เป็นมันอันนั้นก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะเห็นแต่ไม่เห็นแต่ไม่เป็นนะ หรือว่ามีแต่ไม่เป็นก็ได้มีความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธมีความทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกขนะ์ที่จริงอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้ก็เพราะไม่มีไม่มีไม่มีตัวตนมามาเป็นมัน้มีแต่ไม่เป็นนี่ก็สาคัญนะหลายคนเป็นมะเร็งหลายคนบอกตัวเเป็นมะเร็งที่จริงเขาไม่ได้เป็นมะเร็งนะเขาแค่มีมะเร็งมีโรคมะเร็ง มีโรคมะเร็งกับเป็นมะเร็งไม่เหมือนกันนะเหมือนก็บอกว่าเราเร า, <_ S 1> เรามีเงิน <_ S 1> เรามีทองแต่เราไม่ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นทองนะมีเงินแต่ไม่ได้เป็นเงินนี่ต่างกันนะถ้ามีเงินแล้วเป็นเงินเมื่อไหร่ค <_ S 2> รว่าเราก็เอาตัวตนไปผูกติดกับเงินนั้นมีโรคมะเร็งกับเป็นมะเร็งนี่ไม่เหมือนกันมีโรคมะเร็งแต่เราก็ยัง ปกติสูดอได้แต่ถ้าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมันความสึกมันมันต่างไปมันจะโดดเด่นขึ้นมาจนลืมไปว่าเราเรายัางเป็นอะไรอีกต้องหลายอย่างแต่พอเป็นโรคมะเร็งมันจะเด่นจนลืมอย่างอื่นไปหมดหรืออย่างที่พูดเมื่อวันศุกร์เ่าที่ทหาร ช, ชายทหารที่อยู่ประกาศว่า ช, ชายทหารชายทหารได้ฆ่าตัวตายเสร็จแล้วพอเป็นมะเร็งพอมีโรคมะเร็งเกิดขึ้นก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าตัวตนมันปรุงว่าฉันเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งและตัวตนที่เป็นชาชาตทหารก็หายไปสุดท้ายก็ค่าตัวตายเพราะตัวตนที่เป็นทหารมันดับไปแล้วตัวตนที่เป็นมะเร็งมันโดดเด่นนี้มันเราเราก็ไม่ทราบว่าเราจะมีโรคร้ายเกิดขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามันมีเนี่ยก็ก็ร่วมี แต่จะเป็นมันเป็นมันแล้วนี่นะเราก็เราก็หมดเลยนะเราก็จะเต็มไปด้วยความทุกขนะ์ให้ตระหนักว่าถึงถึงมีมะเร็งถึงมีโรคร้ายแต่เราก็ไม่ได้เป็นมันนะอันนี้ถ้าไม่มีสติก็จะไม่ไม่มีทางก็จะก็จะหลงเข้าไปนะไปเป็นมัน เห็นมันฟังอยาางเขาเป็นหรือถึงจะมีก็มีโดยไม่เป็นนะอันนี้เรามีเรียกว่าฉลาดมีนะก็ก็คงจะจะจะฝากเอาไว้นะตรงนี้นะเพราะว่าวันนี้เราก็จะจะต้องแยกแย้ายกันไปนะก็เราก็ไม่รู้ว่าเราแต่ละคนจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้กันคนละเท่าไหร่นะก็เพราะฉะนั้นก็เราลึกถึงความจริงข้อนี้แล้วก็ ได้ใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยในการทําสิ่งที่ควรทําให้เกิดมีขึ้นหรือเพราะการฝึกผลจิตใจบ่มเพาะสติเจริญปัญญาสติและปัญญานี้ก็จะเป็นธรรมะที่จะคุ้มครองเรานะให้ผ่านพ้นนะความทุกข์ให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปไดนะ้ก็ขอให้ทุกท่านนะก็นะ ได้ได้ได้มีธรรมะเป็นที่คุ้มครองด้วยกันทุกคนะพอสมควรแก่เวลาก็ทำความสงบสักครู่หนึ่ง